เพนฝังที่เคารพคะท่านอยู่ในช่วงวลาของรายการสัมสมีสนทนาผ่านไปนะคะสําหรับพระมาร์ชาคาวโรวัฒนาป่าพงลําลู ก, กาคลองศิวัดที่มีท่านอาจารย์ครุกริปโสธิพโลซึ่งมอบหนังสือพุทธวจะนะให้กับพวกเราเป็นประจำทุกวันวันละสามเล่มทางหมายเลข0 2นย์สองสนั่นแหละคะ่ะต่อไปนี้ก็จะเป็นเวลาที่จะได้พบกับพระภิกษุอีกรูปหนึ่งนะคะท่านอยู่ไกลถึงอุดรธานี แต่ก็มาอยู่ใกล้ๆกับทุกท่านที่ฟังรายการวิทยุสังสนีสนทนานี้คือพระพบูลอภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศก ค, ค่ะกลาบน้องตะการะท่านค่ะเจญพา น, นค่ะวันนี้ท่านขึ้นต้นว่าจะพูดเรื่องเมา ส, สมา์สาสักอ๋อใช่อดิฉันไม่ถึงช่วงสงกรานต์ความเมาเนี่ย ม, มันทำลายอะไรเยอะเลยนะคะอืมใช่ใช เมาศาสนาผลเป็นยังไงก็คือมีครั้งหนึ่งที่พระเจ้าได้เคยตรัสกับพวกนิครนนาฏบุตรพูดถึงการบาเพ็ญตบะซึ่งนิครนเนี่ยเขาจะบาเพ็ญตบะที่อย่างเช่นว่าเอาตัวแทงน้ำหรือว่าจะไม่กินข้าวเกินสองคำจะรับประทานอาหารจากโภชนะเดียวอะไรลักษณะเนี้ยนะที่เป็นตบะของเขาเป็นการบำเพ็ญตบะทางภายนอก ทีพระเก็เคยบอกว่าบางคนบําเพ็ญตะบะอยู่เนี่ยก็เมาตะบะของตัวเองแต่นะไม่ไมามามองดูว่าโอ้ตรงนี้พระเจ้าเคยพูดถึง16อย่างคือพูดถึงอุปกิเลสสิอย่างนะซึ่งอุปกิเลสเนี่ยมันมาใช้กับคือมันเป็นกิเลส ท, ที่ยังอยู่ในจิตของเราถ้าเรายังมีกิเลสอยูนะ่เพราะฉะนั้นเราพูดถึงว่าคนนับถือศาสนาเนี่ยคนนับถือคำนะสอนพระเจ้าแสดงว่าคนที่นับถือคำสอนพระเจ้าที่ปฏิบัติตามที่เจ้าบอกเนี่ยนะ ตบะที่ว่าใช้เป็นอริยมรรคเมลงแปดเนี่ยคุณจะสามารถเมาตบะได้เมาได้เมาบุญเมาตบะมีแน่นอนนะก็ mm hmm. เลยทำให้มาตีความเอ้ควาว่าเมาบุญเมาตาบะเนี่ยจะเป็นอย่างไรอะไรมาเขานึกถึงสมัยสมัยนี้แหละเราเห็นคนที่เขาแบบไปกินเหล้ากันอย่างเงี้ยนะคุณยมติว <Okay. S 1> เขาจะชูเฮ hey, ชนแก้วแล้วก็ชูแก้วขึ้นใช่ไหม <Okay. S 1> พวกนี้เขาจะเชิดชูเหล้ามาก นะคือเชิดชูก ร, รมคุณอะไรเป็นเรื่องที่เป็นกรรมุณแล้วคนที่มีเงินมากอายุเขาว่าดีเขาจะผิดยังไงก็หาว่าเขาดีอยู่แต่ว่าเขามีเงินมากหรือว่าคนที่ทำํำมีเงินเงินมาก ม, มีความสุขทางกรรมคุณมากเราก็จะให้เกียรติยกย่องเขาอย่างเงี้ยนะซึ่งนี้คือพวกที่เชิดชูกามกามคุณทีนี้ว่าอย่างศาสนาอย่างเงี้ยคนเมาศาสนาคือคนที่แบบเชิดชูศาสนาแต่ว่าตัวเองเนี่ยทำไม่ถูกทําไม่ดียังด่าเขาอยู่ยังว่าเขาอยู่ นะคื อ, อหรือว่าคนที่เมาบุญอย่างเงี้ยคุณะจะทำบุญแต่คุณก็ไปเบียดเบียนคนอื่นอย่างเงี้ยนะหรือคนเราเคยเห็นคนที่ไปปฏิบัติธรรมนะพูดจะดีเลยชั้นน้ำตื อ, อพทดแต่ว่าก็ยังผิดศีลอยู่ทำไม่ถูกต้องอยู่นะดาคนอื่นอยู่นะมาวิวัตรทำไม่ถูกต้องก็มีเยอะแยะนะนี่คือลักษณะของพวกที่เมาศาสนาคิดว่าตัวเองชั้นันดีที่สุดคนอื่นไม่ดีอย่างเงี้ย คือปฏิบัติไปแล้วเนี่ยแทนที่กิเลสเนี่ยมันจะลดลงแต่กิเลสมันดันเพิ่มขึ้นคืออย่างสุราเนี่ยนะเรากินมันก็ไปเนี่ยมันมีแต่จะทําให้เราแย่ลงแย่ลงนะในขณะที่เสศศาสนาเราเสพแล้วเราทําแล้วแทนที่กิเลสเราจะลดนะแต่กิเลสเราดันเพิ่มนะตัณหาเราดันเพิ่มความทุกข์เรามากขึ้นแสดงว่าคุณเมาศาสนาลอะคุณคุณเมาบุญแล้วว่างั้นเถอะค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องอย่างไรกันนะเอาก็ต้องปฏิบัติให้ถูก นะคือคนที่มีมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันจะผิดไปตลอดเลยมันจะผิดไล่ตั้งแต่มิจฉาสังกปะมิจฉามากักอะไรต่างๆทําให้การเป็นแบบของเราเนี่ยไม่ถูกต้องวิธีการหนึ่งก็คือว่าคุณจะต้องมีเพื่อนดีอ่ะเพื่อนที่เขาไม่เมา ค, คนคนเมาเนี่ยนะคุณโยมติ๋วคือคนยังไม่เมาเนี่ยอะไรอ ไ, รอไรมันก็ก็ดีอนะอคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีแต่พอเมาแล้วเข้าปากไปแล้วเนี่ยฉันดีคนเดียวคนอื่นแย่หมดแล้ว <c oughs> คนเมาสัวนใหญ่เป็นอย่างนอืม อันนั้นเป็นส่วนใหญ่ของคนเมาแต่ทีฉันเข้าใจว่าก็ต้องบอกว่ามันเป็นดีฉันไ ม, ไม่ทราบจะใช้คํำยังไงดีนะคะแต่ที่ฉนว่ามนุษย์เนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยมันจะมีมีกรรมหรือมีบาปหรือมีอะไรสักอย่างที่ทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราเนี่ยจะดีกว่าคนอื่นไปหมดดีด๋ฉันเข้าใจว่าคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะคะอืมที่เราเห็นว่าคนเราดีกว่าคนอื่นเนี่ย ก็คือมีความมีอัตราตัวตนไงค่ะอืทีนี้บางคนไม่ได้เห็นว่าอย่างนั้นนะบางคนเห็นว่าเราแย่กว่าเขาอหรือว่าเราเสมอเขาพวกนี้คือมานะทั้งสิ้นะพระเจ้าเคยพูดถึงมานะก้าวนะคุณยมเตียวฉันได้ไหมที่ว่าอถ้าเราดีกว่าเขาเราเห็นว่าเราแย่กว่าเขาหรือเราเสมอเขาหรือเราดีกว่าเขาเนี่ยอันนี้ยังเป็นมานะอยู่ถ้าเราตัวเราจริงๆเราแย่กว่าเขาแล้วเราคิดว่าเราดีกว่าเขาอันนี้ก็เป็นมานะ ถ้าจริงๆตัวเราแย่กว่าเขาแต่เราคิดว่าเราเท่าเขาอันนี้ก็เป็นมานะไปๆไปมาๆจะได้ก้าอย่างพอดีแล้วมีอย่างที่เรารู้ตามจริงไหมคะว่าเราเราแน่กว่าเขาจริงๆอะ่ะแล้วเราก็รู้ว่าเราแน่กว่าเขาอันนี้เป็นมานะไหมคะเป็นมานะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มานะจะต้องอยังไงกันด้ก็คือวางพวกนี้ไปหมดเลยตัวเราไม่มีอะไรเราไม่ใช่ตัวเราตัวเราก็เป็นแค่ธาตุสีดินน้าไฟลมไม่มีอะไร มานะในที่นี้ไม่ใช่ว่าบากบั่นขยันขันแข็งนะคะแต่มานะในที่นี้แปลว่ามีความเป็นอัตตาตัวตนสูงถูกไหมคความถือตัวความถือยังเป็นตัวตนอยู่อไม่ใช่มุกมานะอย่างนั้นแต่เป็นมานะที่ถือตัวลักษณะนี้นะเป็นมานะที่ถือตัวนะครับเป็นมานะที่ต้องต้องละต้องละถูกต้องเป็นมานะที่ต้องละคือคือคําสอนพระเจาคุณยมติ๋วจะเป็นไปเพื่อลักกิเลส เพื่อถอนตันหาเพื่อทำทำวิชาให้เกิดขึ้นทำาอาวิชาให้มันหายไปเพราะฉะนั้นถ้าเรานับถือแล้วเราปฏิบัติตามแล้วปรากฏกิเลสเรามากขึ้นวิชาเราไม่มีไม่รู้แจ้งเห็นแจ้งกับยิ่งมืดหนาะเข้าไปอีกนี่คุณเมาแน่นอนออถ้าจะให้ใช้การปฏิบัติแล้วใช้ผลของการจัดการกับมานะเป็นเครื่องชี้วัด ว่าการปฏิบัตินั้นก้าวหน้าแค่ไหนเมื่อปฏิบัติไปปฏิบัติไปตัวมานะจะเป็นอย่างไรคะมานะนี่ก็จะดับไปเรามีเครื่องวัดได้ที่เป็นพุตรปัญญาผู้รู้จบอกว่าคำสองพระองค์เนี่ยนะเป็นไปเพื่อดับเพื่อระงับเพื่อรู้แจ้งเพื่อรู้พร้อมเพื่อนิพพานนะเพื่อความดับเพื่อความระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมเพื่อนิพพานแต่เพราะนั้นอยางสมมติว่าเราบอกว่าเราให้ทาน แต่ว่าให้ทานนี่มันไม่ได้มันจุดประสงค์คือเพื่อสละออกนะไม่ใช่เพื่อเอาไม่ได้เพื่อที่ขวนขวายเอาแต่ประนั้นถ้าเราให้ทานแล้วจิตเราเกิดต้องการบุญมากๆนี่แสดงว่าขวนขวายเอาแล้วไม่ใช่การสละออกจริงๆละไม่ได้เป็นไ ป, ไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมเพื่อ น, นิพพานความดับละที่เป็นไปเพื่อความพอกผูนมากขึ้นอันนี้เหมาละค่ะคือพูดถึงว่าท่านยกตัวยอย่างนี้มาก็ดีนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็จะรู้ส รู้ได้อย่างไรว่าเราให้ทานไปแล้วถูกต้องหรือไม่เช่นในบางครั้งเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าให้ไปแล้วเราก็ลืมไปเลยเอ๊ะ อ, อย่างนี้เราจะได้บุญไหมเราเคยสงสัยนะคะว่าเหมือนกับว่าให้เดียตั้งใจให้นะแต่ให้ไปแล้วเราก็ไม่ได้สนใจอีกเลยอืมอันนี้เราก็จะได้บุญรับก่อนให้กับระหว่างให้แต่ไม่ได้บุญหลังให้ คือหลังให้เนี่ยคือถ้าเรามาระลึกถึงบุญของเราอยู่เรื่อยว่าเออมันสำเร็จประโยชน์แล้วน่าดีแล้วอันนี้เราก็จะได้บุญหลังจากให้ด้วยแต่ว่านะถ้าเราไปอ้อยอิงหลังจากที่เราทําบุญไปแล้วอย่างเงี้ยนะคะก็จะไปเข้ากับสิ่งที่ท่านพูดก่อนหน้าที่เรียนจะกราบเรียนถามมั้อ้อยอิงนี่มันเป็นยังไงอ้อยอิงคื อ, อคือเหมือนกับว่าเราก็ยังไปนึกถึงบุญมากท่านบอกว่าถ้าไปนึกมากใช่ไหมคะ มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ได้เป็นการสละออกจริงจริม น, น, นึกเนี่ยหมายถึงว่าคุณต้องนึกเรื่องอะไร่ะถ้าคุณนึกว่าเอ๊ะมันจะได้สําเร็จประโยชน์ไหมนึกอย่างเป็นความกังวลเนี่ยอันนี้จะไม่ได้ไม่เกิดบุญล่ะยิ่งจะมีความกังวลเป็นนิวร น, นึกนึกอย่างนี้ค่ะอืมนึกว่าโอ้หนี่เราจะได้บุญมากไหมเนี่ยเอาอันนี้มันเป็นความกังวล <c oughs> อย่างนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมคะคือที่เราควรจะต้องนึกเนี่ยนะก็คือนึกที่เป็นสมาสังกัปะที่ว่าเออเราได้สร้างบุญแล้วนะบุญนี้สําเร็จประโยชน์แก่เราเรามีความอิ่มเอิบใจความสบายใจเพราะบุญที่เราสร้างเห็นนี่เองนี้เรานึกแล้วจะเป็นการดีอต่ถ้าสมมุติว่าท <ำ S 2> ําไปแล้วเสร็จอ่ามีความศรัทธาก่อนทนําขณะทำก็รู้สึกดีแต่แล้วแล้วกันอย่างนี้ก็ไม่ควร ก, ก็ได้บุญได้บุญควรอยู่ออคือควรคือบุญเนี่ยมันจะเกิดได้3จุดนะนะที่พระเจ้าบอกกับนางวิสาขาออก่อนก็เกิดระหว่างก็เกิดหลังก็เกิดนะหลังเนี่ยตรงนี้เธอกำลังพูดถึงประเด็นนี้นะว่าถ้าเรามาคิดถึงบุญที่เราสร้างไว้นะเป็นสิ่งดีงามนะกุศลธรรมเกิดขึ้นในจิตของเราอันนี้ดีแต่ถ้าเรามาคิดมีความกังวลว่าเอ๊ะท่านจะได้ใช้ประโยชน์ไหมจะโยนทิศของเราทิ้งหรือเปล่าอันนี้ไม่ดีบุญไม่เกิด ทีนี้มันไอตรงจุดที่เรากำลังพูดถึงต่อไปเนี่ยคือก่อนให้ว่าแม้แต่เราจะให้บุญเนี่ยนะให้ทานเนี่ยนะแล้วเราคิดว่าโอ้โหขอให้ฉันรวยขอให้ฉันได้ขอให้ฉันเกระสดอกเคราะห์ตรงนี้อันนี้บุญเกิดน้อยแน่นอนเพราะว่าคุณคุณให้เพื่อคุณหวังนี่เหมือนติดสินบนเจ้าหน้าที่อ่ะ <c oughs> มันไม่ถูกแน่มันก็จะได้บุญน้อย <c oughs> อ่นะในทางโลกเนี่ยไปติดสินบนผิดประเทศนี่ยุ่งเลยนะคะอย่างเช่นอเมริกาเนี่ยโอ้โห ตามล้างตามเช็ดก็ไม่จบไม่สิ้นข้าประเทศเลยถ้าถ้าเราเราให้เพราะว่าเราหวังแค่เพื่อจะสลักออกนะอันนี้ถูกต้องที่สุดเลยได้บุญมากที่สุดเลยค่ะอย่างนี้ถือว่าไม่เมาบุญถูกไหมคะใช่ใช่ฉนันจะพยายามนํากลับมาเรื่องที่ท่านขึ้นต้นไว้คือกําลังพูดกันเรื่องเมาอยู่อทีนี้ไหนไหนก็มาถึงตรงนี้ถ้าสมมติว่าประเด็นที่เมาศาสนาดังที่ท่านที่พูดไปแล้วนี่พอสมควรแล้วฉนันจะไปที่เมาอย่างอื่นเหมือนกันนะคะแต่ว่ายัางเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะอยู่ คื อ, อมีมีคนก็สงสัยว่าหากเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมมติว่ามีศรัทธาละก็เห็นการปฏิบัติธรรมมีคุณค่าพยายามทำรรละแต่บังเอิญเป็นคนที่รักษาศีลยังไม่ได้ครบถ้วนก็ยังกระพร่องกระแพล้งในข้อเมาเนี่ยแหละคะ่ะเขาสามารถปฏิบัติธรรมได้ไหยคะหรือว่าต้องไปตั้งต้นถือศีลให้ ดีซะก่อนแล้วค่อยมาอ๋ อ, อคือศีลเนี่ยพระชาบอกว่าถ้าเป็นไปบริบูรณ์แล้วเนี่ยน ะ, ะจะมีความไม่ร้อนใจความไม่ร้อนใจบริบูรณ์แล้วก็จะมีปีติสูขพวกนี้ไล่ไปทีนี้ว่าไอ้อันนี้สรงของศีลที่เรารักษาได้เนี่ยมันก็จะไม่เกิดเรามีปีติสูบในระดับที่มันพอเหมาะพอสมกับศีลนั้นคือไม่ใช่ว่าถึงกับไม่มีเลยถึงกับไปทําไม่ได้เลยไม่ใช่อย่างนั้นค่ะนะคื อ, อเรื่องนี้เคยพูดกันมาได้สมมติเราเรามี น้ำอย่างเงี้ย <Okay. S 1> น้ำสัก2อสมหยดที่เป็นน้ําบริสุทธิ์เลยนะโอ้ <Yeah. S 1> oh, ความบริสุทธิ์ของน้ํานี่ดีมากนะแต่สองสาหยดเนี่ยถ้าเราจะใส่กระเป๋าเดินทางใส่กระติกไปแล้วก็เดินทางไกลอย่างเงี้ยมันไม่พอ mm hmm. นะคือบริบูรณ์อยูอ่บริสุทธิ์อยู่แต่ไม่บริบูรณนะ์คือสีนของเราที่รักษา2อสข้ออย่างเงี้ยเรามีศีลได้ไม่5ข้อใช่ไหมเราได้2อสข้อก็จริงแต่เต็มดีเพียบเลยนะดีอย่างยิ่งก็คื อ, อบริสุทธิ์อยู่แต่ไม่บริบูรณ์ เพ้ความบริสุทธิ์ตรงนี้ก็ได้อา น, นิสงส์ของมันคือว่าอย่างน้อยมันก็มีความบริสุทธิ์ได้อาจจะคลายกระหายได้นะแค่ครึ่งวันอย่างนี้ยมันก็จะมีอา น, นิสงส์ของเขาอยู่เพราะฉะนั้นแทนที่เราจะไปมีความคิดท้อแท้ว่าโอ้ฉันทําไม่ได้หรือฉันต้องไปเริ่มต้นใหม่ไม่เป็นไรเลยเราก็ทําต่อไปที่เรามีนี่แหละพระเจ้าเคยบอกว่าเราอยู่อย่างนี้แล้วเนี่ยให้เราอยู่ในปีติปราโมทย์ในที่เรามีนะแล้วก็ทําความเพียรให้ยิ่งขึ้นไปแค่นั้นเอง เพราะว่าหฉันคิดว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะยังติดอยู่ที่ว่าแม้ถ้ารอพร้อมอทุกอย่างประนีบหมดเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติกันสัสถีแน่เลยเพราะว่ามันยังเป็นนิสัยที่อาจจะต้องใช้เวลานะคะก็ไม่เลวร้ายมันไม่สม บ, บูรณ์เท่านั้นเองคือถ้าไม่ใช่ถึงขนาดอนันตริยกรรมห้าอันนี้ไงคุณก็พอจะแก้ได้ อนันติยกรรม5มีอะไรบ้างอนันติยกรรม5นี่คือฆ่าพ่อฆ่าแม่ทำสองให้แตกการฆ่าพระราหารแล้วก็ทำบุญเจ้าให้ห่อเลือดนะคือถ้าเรามีความกังวลใจความร้อนใจเนี่ยไอ้ความกังวลใจความร้อนใจเนี่ยถ้าไม่ใช่ที่เกิดจากการกระทําใน5อย่างนี้นะมันพอจะแก้ได้แต่แต่ถ้าเป็น5อย่างนี้คุณต้องไปตกนรกซะก่อนนานมากเลยถึงจะค่อยมาพูดกันใหม่ดังนั้นโอกาสที่จะผิดพลาดในข้อที่ทําให้พุทธเจ้า พอเลือดจะเป็นไปไม่ได้แล้วพระยุคนี้ไม่มีพระพุทธองค์อื ม, อมแต่ถ้าจะพูดไปดิฉันก็เลยสงสัยว่าพระพุทธองค์เนี่ยตร า, าไว้ว่าทำรรวินัยของพระพุทธองค์จะเป็นเหมือนศาสดาใช่ไหมคะอืมใช่ถ้าไปทําอะไรกับทำรรวินัยของพระพุทธองค์เนี่ยต้องไปตกนรกก่อนไหมคะก็คือในยั น, นี้ก็จะเป็นทำสงให้แตกกันอ๋อนะคะดังนั้นเนี่ยดูๆไปก็เหมือนกับว่าส่วนใหญ่แล้วโอกาส ของทุกคนมีนะคบเพราะว่าใครจะไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ทำส่งให้แตกกันเนี่ยมันอาจจะพอเห็นอยู่บ้างแต่ก็คงไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆก็หน้าที่จะทำให้ท่านทั้งหลายเนี่ยยังไม่ถึงขนาดที่หมดโอกาสนะหมดโอกาสค่ะแล้วเป็นเป็นไปได้ไหมคันฮะว่าปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆแล้วทุกอย่างมันก็จะสมบูรณ์ขึ้นไปเองเอาแน่นอนนะเราต้องได้ผลคือไม่ว่าเราจะหวังหรือจะไม่หวังถ้าเราไปฏิบัติไปตามมรคเนี่ย ยังไงมันก็ใกล้นิพานเข้าไปความทุกขเราก็จะน้อยลงกิเลสเราก็จะน้อยลงความสุขในจิตเราก็จะมากขึ้นแสงสว่างในจิตเราก็จะสว่างมากขึ้นเหมือนกันค่ะถ้าหากว่าอ๋อพอจะถ้าหากว่าต่อไปไที่ึ้นดูว่าสงสัยจะต้องไปเริ่มต้นใหม่ไม่ต้องถ้าหากว่าแล้วคะ่ะเอาไว้วันพรุ่งนี้เลย <c oughs> เพราะเวลากําลังดีเลยนะคะวันนี้ก็กราบนมัส ก, การขอบพระคุณท่านเป็นบุญเป็นอย่างยิ่งคะ่ะ <c oughs> นช่คมัสการค่ะ <c oughs> ท่านฟังทรบค่ะทุกขอประทานโทษนะคะดิฉันเหลียวดูเวลาปุ๊บ ก, ก็รู้ว่าพอดีแล้วละ่ะเอาไว้เปิดประเด็นใหม่ในวันต่อไปก็เล่ากันเพราะว่ารายการเรามาพบท่านเสมอนะคะตีห้าถึงตีห้าครึ่งทางสารในวิทยุครอบครัวข่าวและวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมเกียรติแห่งนี้รายการนี้ชื่อรายการสัมสีนิสนท น, น, นานะคะดิฉันสัมสีนิ น, นาภพง์ดำเนินรายการมีพระภิกษุสองรูปคือพระมาชาคาวโรตอนต้นรายการกับที่เพิ่งผ่านไปก็คือพระพัยบุญพิบุญโนนะคะและรายการนี้ เราก็มีหนังสือแจกดังที่ได้บอกไปแล้วตอนกลางรายการค่ะส่วนท่านที่จะถามคำถามนะคะส่งไปที่เพียว h ร m ม a .com/106 ค่ะที่นั่นท่านก็ทั้งจะฟังรายการนี้ก็ได้ถามคำถามก็ได้ท่านจะไปอ่านธรรมะหรือว่าจะไปเสษธรรมะในลักษณะต่างๆแม้แต่กระทั่งเป็นภาษาอังกฤษอันนี้ก็มีนะคะ ติดตามกันไปสำหรับวันนี้เราลากันไปที่เพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะพุทวีตสวัสดีค่ะ